แบบรูปแบบของการสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมแด็ให้มีความรู้สึกไปพ ร, ร้อมๆกั น, นากายเราก็มีลักษณะที่พลิกมือเพิ่มมื อ, มอยกมือมันก็มียกให้มันรูดจะไปรู้ตนอื่นให้มันรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อให้มันเป็นระเบียบเฉพูดเรื่องเฉพะเราว เรามาหัดตรงนี้กันไม่ยากเงือไม่ไหลหรอกใมวามก็เราทำเล่ทำนาทำงานการอื่นๆแต่ว่าการเจริญสตินี่เป็นของง่ายๆเป็นของเบาๆอย่าไปทุ่มเทอย่าไปเพ่งเครียดใจร้อนใจดีๆเอาไว้ก่อน หายใจงลงๆเอาไว้เราก็ตั้งสติเอาไว้กับกายเคลื่อนไหวไปมาบางทีมันอาจจะไม่มีสติมันอาจจะหลงคิดมันอาจจะง่วงนอนอาจจ ะ, ะปวดขาปวดหลังปวดเอวอันนั่นก็มันมาบอกให้เรา่ครมันบอกให้เรารู้ว่ามันคืออะไร ความม่วงก็ บ, บอกว่านี่คือความม่วงความคิดมันก็ บ, บอกว่านี่ความคิดมันไม่ใช่สติความปวดความเมื่ยมันก็ บ, บอกแล้วว่านี่คือความปวดความมื่อยคืออาการที่มันเกิดขึ้นกับกายคล้ายๆมันบอกเราเราก็ดูเอาเห็นเอาเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็ชี้ได้เลยว่านี่คือ ความวง่วงภาษาธรรมเลยว่านิวรณ์ลธรรมมันเป็นของเท่ากนคิดไม่ใช่เป็นมิตรของเราเราก็หาวิธีที่จะเปลี่ยนความวง่วงให้เป็นความรู้สึกตัวให้เป็นความรู้สึกตัวเรามันก็เปลี่ยนได้แม้นมันเกิดแล้วเกิดเด็กเราก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวซ้อมแล้วซ้อมอีกเช่นกันเาเราจะต้อง ต้งตรงนี้จะต้องสร้างตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นอันนี้คือความรู้สึกตัวนี่อะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่เอาเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดมันเป็นของส่อคมันไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นความหนาวก็ต้องหมผ้าความร้อนก็ต้องอาบน้ํา อันหิวก็ต้องกินข้าวอันนมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างอยู่นี่อันเดียวเท่านั้นเปลี่ยนไปแต่พืชเ ถ, ถือเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวแต่พืชเถื่อแต่ว่าปลี่นให้มันให้มันตรงกันข้ามถ้ามันหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวรูอย่างเนี้ยเอามันทุกข์ก็ ต, ต, bankrupt, ต้องเปลี่ยนเป็นตัวรูอย่างเนี้ยเอามันปวดมันเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวรู้สึกตัวอย่างเนี้ยเอามันง่งเหงาหานอนก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวอย่างเนี้ย เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดสิ่งที่มันจะแสดงออก mai, ทางกายทางกิตแม้แต่ตามันเห็นรูปก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตั ว, ห, teens, ม ว, มตวหมูได้ยินเสียงก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวอะไรอะไรทั้งหมดนั่นแหละเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวอาจจมันกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้ทางนี้เที่ยวทางตรงนี้เดินตรงนี้มนกับทางที่เราเดินจมกลม ไ่แรกก็ไม่มีทางแต่เราเหยียบไปเก้าสองเก้าลอยเท่าของเราที่เหยียบไปเหยียบมากลับไปกลับมามันก็กลายเป็นทางโล่งเตียนแสดงถึงเป็นหนทางกับที่ไม่ใช่ทางแ้วการเข้าไปก็สะดวกการเหยียบไปครั้งแรกก็จ ะ, ะไม่ไม่ค่อยเป็นทางเท่าไหร่แต่ว่าเดินกลับไปกลับมาก็เป็นทาง การปฏิบัติธรรมการเปลี่ยนอะไรอะไรมาเป็นความรู้สึกตัวเนะ่ะความรู้สึกตัวจะเป็นร่องรอยของทางชีวิตของเราชีวิตของเราต้องดาเนินไปในทางนี้แต่เวลาได้มันหลงมันจะเปลี่ยนของมันเองถ้าเรามันได้ทางแล้วขอให้ฝึกให้มันได้ทางเสียก่อนลาดับลำนาให้มันได้ทางเสียก่อนเอากายเป็นนิมิตไปก่อน กายก็เอามาเป็นวัตถุเอามาเป็นรูปแบบเอามาเป็นจังหวะมันตามทางไปสกักก่อนสิบสี่จังหวะตามไปสิบสี่ทั้งอาที่แรกก็ลําดับลํานํามสักหน่อยต่อไปต่อไปมันก็ง่ายหรอกอาจจะไม่เป็นจังหวะก็ได้ต่อไปนะต่อไปไม่ทำมาเลยก็ได้มันเป็นตัวลู่ทั้งหมดแล้วชีวิตเรา เราได้ใช้มันแล้วใช่ตัวลู่แล้วเพราะมันมีมันมากเหลือเกินจะนเป็นมหาลู้ในชีวิตของเราเรื่องกายเรื่องใจทั้งหมดเป็นสมบัติของความรู้สึกตัวทั้งหมดตอนนั้นหระมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเหตุอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องมีผลอยู่ตรงนั้นผลจากความรู้สึกตัวกลายเป็นวิปัสนาญาณลู้แจ้งเกิดเรืองทางปัญญา สามารที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วแต่ว่าตอนนั้นอาศัยคำพูดคำบรรยายไม่ได้ตัวของเราเองจะเป็นปัจจิตตังลูกเอาเองว่าแต่เราสร้างความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราสร้างความรู้สึกตัวได้แล้วเริ่มต้นได้แล้วจับหลักได้แล้ว อลไรที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันหลงมันไม่เอาความหลงภาษาอะไรความโกรธความทุกข์ความไปตกกังวลความเศร้าหมองมันยากคลายมันยากคลายไม่ต้องไปอดไปทนถ้ามีความรู้สึกตัวดีแล้วนะมันก็หมดไปเองนะกับความมืดที่อยู่ในโลบตัวเราพอมีแสงสว่างามมืดมันก็หมดไปเอง ชีวิตของเราทั้งหมดมีตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้นถ้า <c oughs> มีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีถ้ามีถ้าไม่มีตัวหลงเราความวิตกกังวลสมองความโลภความโกรธมันเกิดขึ้นไม่ได้ต้นตอของอคติผลทั้งหลายมันเกิดจากความหลงเพราะนั้นเรามาจัดสรรชีวิตของเราให้เกิดความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ไม่ไปต้องไม่ต้องไปทําอะไรหลายอย่างมาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัววัสดุอุปกรณ์ก็มีเอาหมอผิดออกมาผิดออกมาผิดออกมาผิดออกมนเกิดความรู้สึกตัวต่อๆกันไปต่อๆกันไปยาวไปมากไปนี่ไม่ยากแต่บางคนไปคิดเป็นเรื่องอยากก็จะสร้างสติก็เอาเก่งเอาจัง อ่าจะเอาให้ได้เพ่งเข้าไปอ่าแล้วก็กลายเป็นความเครียดกลายเป็นความเบือ่อกลายเป็นการเข็ดหลับไปเลยไม่ใช่ไปจริงจังอะไรลู่เบาเบารู่เบาเบารู่ซื่อซืไม่ต้องไปใช้สมองใช้เหตุใช้ผลวัตถุที่ทําให้เกิดความรู้ก็ไม่อยู่ลองเบาเบารู่เบาเบาร้ามันแม่นแม่น รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ใช้ได้แล้วแต่ไปหาคําตอบว่าฉันรู้หรือเปล่าถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอย่าเพิ ute, ่งตอบเพาผิดว่าถูกเอาทิ no ้งไปเลยอันความผิดความถูกความได้ความเสียเอาทิ้งไปเลยยังแต่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันผิดก็รู้สึกตัวเนี่ยมันถูกก็รู้สึกตัวเนี่ยมันสุขก็รู้สึกตัวเนี่ยมันทุกข์ก็รู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดอะไรก็รู้สึกตัวเนี่ย รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะเป็นตัวเฉลยมันจะเป็นตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดเลย <c oughs> เราไม่ต้องไปหาเหตุหาผลมันเหนือเหตุนาผลความรู้สึกตัว <c oughs> เหตุผลยังไม่ใช่สัจธรรมหรอกความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอาจจะลู่ไม่จริงที่แรงอาจจะครึ่งลู่เครื่งหลงเคช่างมัวมัน หลงไปบ้างกลับมาลู่หลงไปบ้างกลับมาลู่มันจะเก่งตนที่เรากลับมาลู่นี่แหละไม่ได้เก่งตนที่เรานั่ ง, งานานๆเราเดินานานๆเราไม่หลับไม่นอนอันนั้นไม่ใช่มันจะเก่งต่อเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวจะนั่งจะนอนจะยืนเดินไดก็ได้ไปไหนมาไหนก็ได้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะเมื่อมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวอย่างนี้น ต้องอดเลยเนี่ยเอามาตัวเป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติก็คือการกลับมาปฏิคือกลับมาตั้งไหวเห็นเราไม่เสตติตั้งไหวที่กายของเรามันอยาจะหลงไปทางอื่นก็กลับมาตั้งไหวอกีกมันหลงไปอีกก็กลับมาตั้งไหวอกีกถ้าได้กลับมาหลายเที่ยวหลายครั้งหลายหนมันจะเอียงมาทางนี้ง่ายที่จะไม่หลงต่อไปเรีรบง่ายที่จะหลง เรากราบมา บ, บ่อยๆกราบมา บ, บ่อยๆมันก็ง่ายที่จะไม่หลงมันเป็นอย่างนั้นธรมธรมชาติกฎของธรรมชาติธรรมชาติของกฎธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ความรู้สึกตัวความหลงตัวนั้นมันอยู่กับการกระทําของเราอย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้เราทําได้มันอยู่กับความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวให้ไปด่เข้าข้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวเอาไว้ วิธีที่เราปฏิบัตินี่จึงมีความมั่นใจมากๆถ้ายกมือเป็นรู้ศึกตัวเป็นนั่นแหละเป็นอรดกเป็นสมบัติของเราแล้วมีมือสองมือมีแขนสองแขนเนี่ยเอามาวางไว้บนเขา่าก็มีเขา่ายกมือขึ้นข้างขวาข้างซ้ายรู้ได้ทุกคนรูดได้ทุกคนไมงั้นมันไม่รู้ก็พยายามให้มันรู เปียนตรงนี้เพียรรู้ขยันรู้เรียกว่าความเพียนการขยันรู้เรียกว่าภาวนาภาษาภาษาวัดวัดเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือขยันรู้แล้วมันก็ขยันได้สิบสจังหวะคือความขยันที่ชอบทำในการปฏิบัติธรรมในการเจริญสติสิบสีจังหวะพอดีพอดีกับจังหวะที่รู้พอดีไม่ไว้ไม่ช้า การยกมือแต่ละครั้งไม่ไวไม่ช้าพอดีพอดีเป็นลําดับลำำํานําจังหวะพอดีวักพอดีลู่เอาลู่เอามันมีความพอดีกับสิบสี่จังหวะกับเก้าเดินความรู้สึกสึกตัวกับ ก, บการเก้าแต่ละเก้าพอดีพอดีอดไม่ไม่ทําให้เนิ่นช้าไม่ทําให้ทียังเกินไปลักษณะของการเดิน แต่ละชีวิตอาจจะทางทีต่างกันคนหนุ่ ม, มอๆอาจจะแข็งแกร่งอาจจะเดินชึบๆได้ดีสําหรับคนแก่อาจจะเดินชับๆตามกวาหลังความท่วงตัวก็เอาไปตามจังหวะของความข้อดีของแต่ละคนไม่ต้องไปถามว่าทําไว้ดีทําช้าดีเดินช้าหรือเดินไวมันดีไม่ไม่ต้องถาม เอาความพอดีของตนเองมันมีอยู่กับเราแล้วการยกมือสร้างจังหวะบางทีจังหวะทีก็มีจังหวะทีจังหวะไหวมันใช่ตอนไหนอาจจะใช่ตอนที่มันง่วงเองาหานอนอาจจะใช่ในตอนที่มันคิดเพ้อวันไปทางอื่นเรเรียกกับมาให้มันทุ่มน้ำหนักลงไปให้มันได้รู้สึกตัวปลุกให้มันรู้สึกตัว การเดินก็เหมือนกัน <c oughs> บางทีมันก็เดินช้าๆก็ได้เพราะมันรู้สึกตัวดีบางทีมันเดินๆล่างๆก็จับเข้าไปจับเข้าไปแบบตกเท่าเข้าไปอย่าแบบเนิบเนินแบบตกเท่าเข้าไปจับจับเข้าไปใส่ใจลงไปใส่สติลงไปใส่ความเพียรลงไปมีศรัทธาลงไปมีความอดทนลงไป หลายๆอย่างเสริมกำลังเข้าไปเสริมกำลังเข้าไปอย่าเดียวดายการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็เราเอาเยี่ยงอย่างกันอย่างน้อยเราก็คิดคิดถึงรรพระพุทธเจ้าภาษาดาของเราพระองค์ก็ทำอย่างนี้อย่างน้อยก็เหล่าภาษาพวกพราหันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกก็เพราะทำอย่างนี้เวลานี่ก็ยังมีครูบาอาจารย์ มีผู้มาพูดให้ได้ยินกับหูเรามีผู้มาบอกให้เราก็เห็นท่านบอกท่านสอนยกมือให้เราดูเดินพาเราเดินให้เราดูอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนใกล้เคียงที่อยู่ที่นี่หลายชีวิตเราไม่เดียวดายหลายอย่างแ ล, แล้วเราก็มีศรัทธาว่ามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงบาปบุญมีจริงแล้วเราก็สัมผัสดูคมรู้สึกตัวก็มีจริงๆ สัมผัสดูกับความหลงก็ไม่จริงๆความหลงกับความรู้มันก็ต่างกันจริงๆริงแล้วเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็เปลี่ยนได้จริงๆริงแล้วความรู้สึกตัวก็เป็นธรรมจริงๆความหลงก็ไม่เป็นธรรมจริงๆหรือบางทีมันโกรธสัมผัสลองดูแล้วความไม่โกรธก็สัมผัสลองดูแล้วก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธลองดู แล้วเราก็เปลี่ยนได้จริงๆความไม่โกรธก็เป็นธรรมจริงๆความโกรธก็ไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วมันไม่มีคำถามจริงๆมันก็เป็นของรู้ได้ด้วยตนเองจริงๆนคือสัจธรรมสัจธรรมคืออย่างนี้อาจจะไม่มีคำถามเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นสัมผัสเราเห็นบุญบุญก็คือความรู้ตัวเองจนไม่หลงกับเรื่องของตัวเองไม่ให้กายไม่ให้ใจมันหลอกได้ ไม่หลงรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเวลาใดมันหลงไม่ให้ความหลงมันหลงมีความรู้สึกตัวความหลง็หาอว่าไปเลยไม่เสียเวลาไปกับความหลงไม่เสียเวลาไปกับความโกรธไม่เสียเวลาไปกับความสุขความทุกข์มีแต่ความรู้สึกตัวได้ใช่ทันทีความรู้สึกตัวก็เป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจรลยทนีเรียบง่ายทันที เบาทันทีวางทันทีหยุดทันทีหมดไปทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องการทดลกมันเป็นการสัมผัสสัมพันธ์การปฏิบัติธรรมยังเป็นเรื่องชีวิตของเราล้วนลวนทุกคนมีสิทธิเหมือนกันอย่ามาเอาความหนุ่มความสาวอย่ามาเอาความแก่ความเท่ามาอวดมาอ้างอย่ามาเอา เหตุปฏิเนกายมาอ้างอโอ้ยหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อก uh ็ท huh. ําได้พรกขชนเป็นพระว่าญาโยมพระขชนก็ทําไม่ได้ไม่ใช่เด็ดขาดไม่ถูกเด็ดขาดเป็นการกล่าวตู่พระธรรมเราความรู้สึกตัวนอยู่กับพระก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับครวญญาติโยมก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับคนหนุ่มก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับคนแก่ก็คือความรู้สึกตัว อยู่กับเพศหญิงเพศ ช, ชายก็คือความรู้สึกตัวเหมือนกันนั่งอยู่ในบ้านคือความรู้สึกตัวกับนั่งอยู่ในวัดคือความรู้สึกตัวเดินอยู่บนถนนหนทางไม่ถ้้มีความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกตั ว, ว, ว, ต ว, วน ถ, นนถ้ า, า, รารเราทุกคนมีความรู้สึกตัวเราก็เป็นคนคนเดียวกันเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเราก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเหมือนกันเห <c oughs> มือนกันนี่นจริงขนาดนี้แหละ สัจธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปขออาศัยไปขอมาสร้างเอาด้วยตัวของเราเองมีศรัทธามานั่งอยู่ที่นี้แล้วรอมแล้วมีลู ป, ประธรรมมีนามรธรรมเป็นสมบัติของเราแล้วเรามาอาศัยการเวลากิจการงานแบบนี้เพื่อให้เกิดพลัง แต่เราทำคนเดียวอาจจะวับวับแวมแวไม่ไม่อบปุ่นนะไม่อบปุ่นถ้าไม่เก่งจริงจรก็ตั้งต้นเลยยากถ้าตั้งต้นคนเดียวตั้งต้นเล้ยากมีแต่พระพุทเจ้าพรองค์เดียวเท่านั้นที่ตั้งต้นเรื่องได้พอเราก็ตามได้เลยแบบนะถ้าเรามาตั้งจังกิดกรรมแบบนี้ขึ้นมามันก็คึกคักหน่อยหนึ่ง หลวงพ่ก็คึกครับแต่ก่อนไม่คึกคักยังไม่เห็นยาเทียนโยมเน่คึกคักขึ้นมาอโยมคึกคักขึ้หน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้โยมคืออ่อนแอไปเลยคึกคักคึ้หน่อยนะได้ไหมนี่ยมันเสริมพลังนะมันมีศรัทธามันมีความเพียรมันมีบรรยากาศบรรยากาศวันนี้ ไม่ใช่วันนี้วันเดียวมันมีอีกไปหลายวันในชีวิตของเร า, เร า, า, today, well าเราทำความเพียรวันนี้มันจะมีอีกวันข้างหน้าต่อไปอถ้าเราทำความชั่ววันนี้มันจะมีวันข้างหน้าในความชั่วไปความชั่วต่อให้เกิดความชั่วเลยไปความหลงก็ต่อให้เกิดความหลงเลยไปความโกรธก็ต่อให้โกรธความโกรธเลยไปวันนี้เรามาต่อความรู้ ความรูปมันก็ต่อความรูปเลยไปมันต่อติดแล้วมันก็งอกไปเลยนะแต่นี่มันยังต่อไม่ติดมันยังครึ่งหลงครึ่งรูปอันี้พอโตให้มันติดแล้วมันไปของมันเองอ่ะี่วันีปีมันก็รูปอยู่ตรงนั้นรูปอันเดียวอความรูปวันนี้อาจจะอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะมันถูกแบ่งถูกแยกแต่ความรูปวันข้างหน้า ถึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาเราจนจริงๆนะมันจะช่วยเราได้เวลานี้เรายังมีทางออกต่างนเช่นเวทนาเวทนามันเกิดขึ้นกับเราเราอาศัยอริบุตรเปลี่ยนมันได้แต่เวทนาขณะที่มันเกิดขึ้นกับเราเราไม่มีอริบตรนะตอนนั้นเราจะเก่งตอนนั้นด้วยอริบตรเนี่ยทำให้เราไม่เห็นเวทนาชัดเจนได้ไม่ได้บรรลุธรรมเวลาใดที่ไม่มีอริบตรแล้ว ทุกข์กัทุกขอนอยู่กับหมอนกับเสื่อแล้วเราจะอยู่ยังไงเอาหน้าแหละเราจะเก่งเพราะเราฝึกไว้แล้วเดี๋ยวนี้อริบท์มันบังเวทนาไม่ทําให้เราเห็นเวทนาชัดเจนไม่ได้ขี้หน้าเวทนาเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสัากวันหนึ่งเราจะต้องพูดคำนี้ออกมาได้กายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ก็สักว่าทาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวางปั๊ะไปเลยเดินไปอย่างเบาวิวไปเลยไปนะไม่อะไรไม่ไ ม, ไ ม, ไมีอะไรขวงกันเดี๋ยวนี้มันยังขวงหน้าเราอยู่มีตนอยู่ในกายปวดก็เราล้นก็เราหนาวก็เราคือกายเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายเสียเวลากับเรื่องของกายหยุดยั้งขัดขวางเรื่องของกาย พอเราทําไปทําไปเราจะเห็นว่ากายนี่เป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวเราเขาเป็นสักว่ากายที่มันเกิดเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมขึ้นมาแล้วก็อาศัยรูปกายเหมือนพ่วงเหมือนแพพ่วงแพรมันก็ผุ ก, ก็พังมันก็เน่าถึ้งคราวที่มันผุมันพังมันเน่าเปื่อปะรักษาเท่าไรก็ไม่อยูุดเราก็ขึ้นฝั่งได้เลยเราไม่ต้องไปแบกไปตาม เอาไว้ตรงนี้มันเรานั่งบนเรือ <c oughs> ถึงข่าวที่เรือเราพังเราก็ขึ้นฝั่งอาศัยเป็นพ่วงแพเพื่อข้ามวั่งข้ามพ้ น, นเวทนาก็เหมนกิน <c oughs> ที่มันสุขมันทุกข์ก็คือเตา่าคือเราพอเราเห็นไปเห็นไปมันไม่ใช่เราเวทนาสักว่าเวทนามันไม่ใช่จัตุคตุณตัวตนเราเขาเราเสียเวลาเพราะเวทนา <c oughs> เป็นสุขเป็นทุกข์ อันนี้พอเราเห็นโอเวทนาน่อยบางทีเวทนาบางอย่างต้องขอบคุณขอบคุณเขาเราได้บรรลุ ธ, ธรรมเพราะเวทนาขอบคุณเขาไม่เอามาเป็นสุขไม่เอามาเป็นทุกมาเอาเอามาเป็นการบรรลุธรรมอ่เอามาเป็นการบรรลุ ธ, ธรรมมาเป็นการช่วยช่วยเขาเพราะเขาไม่มีเวทนาเขาก็ไม่ใช่รูปใช่กายเช็นร้อนเช่นหนาวปวดเมื่อยอย่างไง เนียวอย่างเนี้ยน่าขอบคุณเขาถ้านั่งอยู่านานๆไม่รู้จักปวดต้องก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ลูกถ้าไม่รู้จักร้อนจากหนาวไม่รู้จักหนียวมันก็ไม่ใช่ลูกเขาแสดงออกถึงเป็นการสัญญาณภัยของเขาเพื่อเขาจะอยู่รอดเราก็ได้ปัญญาแต่ก่อนเรามาเป็นสุขมาเป็นทุกข์วันนี้ออกมาเป็นปัญญา เวทนาสักเพื่อเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาต่อไปถ้าเราเจ่งมากๆอาจจะไม่ร้องโอ้ยไม่ไหยไม่ไหวช่วยด้วยช่วยด้วยอ่วช่วยด้วยช่วยด้วยร้องด้วยความเจ็บไข้ได้วยป่วยร้องด้วยความเจ็บปวดเออก็หมดเนื้อหมดตัวแั่นี้เราไม่หมดเนื้อหมดตัวเราเห็นเราเห็นนี่เออนี่กายนี่เวทนา มันเกิดขึ้นเกกับกายกี่ับใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เห็น <c oughs> ไม่ใช่ตัวตนอยู่ตรงนั้นตัวตนอยู่ในสุขในทุกข์ไหมไม่มีแต่ปัญญาเห็นไปเห็นมาเห็นเป็นรูปเป็นนามไปเป็นรูปมาทำเป็นนามมาทำรั้งกายก็ดีทั้งเวทนาก็ดีทั้งกิก็ดีทั้งธรรมดีเป็นรูปธรรมนามธรรมย่อลงให้เรามันไม่ใช่อะไรที่ไหนที่แท้มันคือรูปนั่นนะ มันคือรูปคือน้ํามันรู้จักปวดเป็นมันรู้จักเก็บเป็นมันรู้จักร้อนมันรู้จักหนาวพอมันเป็นรูปเป็นนามมันเป็นรูปเป็นนามเป็นเรื่องของรูปของนามถ้ามันไม่มีรูปไม่นามมันก็ไม่มีความดีความชั่วคนก็ไปสวรรค์นี่ผานไม่ได้ทําดีไม่เป็นแล้วความชั่วไม่เป็นมันมีรูปมีนามมันจึงมาความชั่วมาทําความดีมันไม่มีรูปไม่น้ําจึงช่วยกัดเป็น ช่วยกันได้ <c oughs> ช่วยให้หมดทุกข์หมดโลกหมดภัยได้เพราะมันไม่รูปไม่น้ำขนส่งกันได้พูดอก อ, กอกไปสอนออกไปทําออกไปคิดออกไปอาศัยรูปนามมาทําความดีถ้าเห็นแล้วป่ะนะแต่ถ้ายังไม่เห็นเนี่ยรูปนามก็ทําความชั่วเอารูปไปทําชั่วเอานามไปทําชั่วก็เป็นผลกระทบต่อกันเลยกัน นี่ปัญหาจนสร้างตัวบทกฎหมายสร้างคุกสร้างตารางเพราะคนไม่รู้รูปไม่รู้น้ำเอารูปไปทำชั่วเอาน้ำไปทำชั่วอันนี้พอเราพอรู้จักมันก็โอ้จะใช้รูปนี่ทำแต่ความดีจะใช้น้ำนี่ทำแต่ความดีอย่างนี้นะนี่ปฏิบัติมันไปอย่างนี้ไม่ใช่ไปเห็นอะไรที่น้อยนอกจากตัวเราไม่ใช่นะ เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายที่เรามีสตินี่แหละถ้าน้อยเราเห็นความรูก้กับความหลงนี่ตรงนี้หันหน้าหันตามาตรงๆอย่างนี้แต่มีสายตาก็มองตรงๆปฏิบัติตรงๆปฏิบัติดีคือทำอย่างนี้แหละตรงเข้ามาตรงนี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้จะไปรู้เดินไปเห็นเทวดาอยู่ก้อนเมฆนุ่นไม่ใช่เทวดาก็เกิดขึ้นจาก ที่เรามีสติละอายความชั่วไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าทําชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่ต้องอายอันอื่นอายตัวเองอายความคิดตัวเองอายความหลงอุ้ยความหลงมันสกปรกเอาความโลภไปใส่ล้างออกไปไม่เปิดไม่เพื่อนกับอันใดเลยเธอมีความรู้สึกตัวหมดจดสะอาดหมดจดไม่กล้าคิดชั่วถ้าไม่คิดชั่วทําไมไม่คิดชั่วเพราะไม่หลง ทำไมไม่หลงเพราะรู้สึกตัวทำไมไม่มีความโลภตัวเพราะได้สร้างความรู้สึกตัวพอเราสร้างความรู้สึกตัวเราก็มีสึกตัวควมหลงก็ไม่เกิดขึ้นใจเราก็เป็นเทวดาไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วและอายบาปเทวธรรมมันก็เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในกายในใจเราเนี่ยไดบุญก็ได้ตรงนี้เอากายมาผิดเป็นบุญเอาใจมาผิดเป็นบุญกายก็สุจริตใจก็สุจริต ทำแต่ความดีเมื่อมีแต่ความดีทุกคนทำแต่ความดีคนในประเทศไทยเราเนี่ยหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยมีเอากายมาทำความดีเอาใจมาทำความดีมันก็สงบร่มเย็นเพพตาเดียวไม่ใช่ไปสร้างตัวบทกหม้อยเลือกตั้งสสสอวอสวเราก็เป็นส่วนดึงแต่ว่าจริงๆงมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่ สไหนมันเป็นโทษเป็นภัยสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์ไม่สร้างขึ้นเตะตัวเองแล้วไม่สร้างให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยนี่คือสัตยธรรมคือตัวศ า, าสนาศาสนาก็ไม่สามารถที่จะแย ก, กไปจากชีวิตของเราได้ชีวิตของเรานี่เป็นตัวศาสนาเป็นตัวเผยแผ่ศาสนาไปทําดีให้ลกูกให้หลานเห็นไปพูดดีให้ลกูกให้หลานได้ยิน ไปใช้ความคิดความอ่านดีๆอยู่กับลกูกกับหลานนักสอนศาสนาคือพ่อคือแม่คือเราทุกคนเรามาศึกษาเรามาปฏิบัติเราได้ประโยชน์เราได้เกิดอย่างนี้อย่างนี้เราไปบอกทำห้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นพูดให้เขาฟัง